ช้างบุกอรวะททำลายกรรมฐาน แดนจันทร์บรรสายเพราะป่าแห่งนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันไม้และต้นไม้ใหญ่กลางป่าลึก 10 และในสถานที่แห่งนี้ในสถานที่แห่งนี้ท่านคิดว่ามัน แท้เจอลมพายุหมุนก็ปลิวกระจัด โลกผู้บรรยากาศโดยทั่วไปก็เย็นสบายทั้งกลางวันและกลางคืนเองก็ชอบและ ในซึ่งเวลานั้นก็ดึกมากแล้วป่าทั้งป่าเงียบเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นาน ตกดึกก็จะมีเสียงของเจ้ากลางดึก ท่ามกลางความเงียบสงัดแห่งราตรีจู่ๆเป็นเสียงหักของกิ่งไม้และต้นไม้ดังมาจากแนวป่าแสดงว่ามีสัตว์ป่าขนาดใหญ่กำลังเดินมุ่งหน้าหากินมาทางกุฏิของหลวงปู่ขาวท่านได้ยินท่านรู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับท่านในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเพราะมีเสียงเดินวางเท้าหนักๆหลวงปู่และสหายธรรม ซึ่งมีกุฏิยังพออุ่นใจห่างกันพอประมาณขณะท่าน แล้วมุ้งบนศีรษะของท่านมันอู้งอันหยาบ แม้จะมีภัยมาถึงตัวหลวงปู่ขาวก็ทำใจไม่ให้หวั่นไหวท่านนั่งเจริญภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆท่านเองก็ไม่รู้ พุทโธพร้อมกันนั้นกันแต่มันก็ยังยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ยอมเดินไปไหนเหมือนมันรู้ว่าได้มีคนอาศัยอยู่และต้องมีอาหารให้มันกินอย่างแน่นอนไปให้ จึงไม่ 2 ชั่วโมงหลวงปู่ก็แผ่เมตตาไปให้อย่างอย่าง บางเอินเป็นจึงพอจะรู้ว่าปู่ขาวท่านมีประสบการณ์และเรียน ก็คงโดนอย่างไม่มีทางเลี่ยงเป็นแน่แท้คงเดินอย่าง 2 ที่พวกโยมนํามาแขวนไว้เพื่อๆจาก ก็เดินเข้ามายังกุฏิของหลวงปู่ขาวเพื่อ ตายเป็นตายไม่ลองไม่รู้และท่านก็เชื่อ มันคงไม่รู้เรื่องมันอาจจะตรงเข้ามากระทืบให้ หลวงปู่ลุกออก 1 แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ กราบชูวงร้องแป้นแป้นแป้นดังสะท้าน เพียงเงียบสงบนิ่งเหมือนก้อนเพ 5 สังเกตได้จากความนิ่งของมันได้แสดง เพราะเป็นสุภาษิตที่หาฟังก็คิดดูก็แล้วกันยากไม่มีใคร มีรถเช่น เชื่อว่าถ้าเอาคําพูดเช่นนี้พู้นกับนักเกรงอันธพานก็ย่อมสยบสันดาณ์เล็วของพวกมันลงได้โดยไม่ต้องออกแรง ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ว่าจะเป็นคนเกิดใจอ่อนสัตว์ล้วนหลังจากวันนั้นเป็นต้นมา ช้างตัวนั้นไม่กระรอกกระแตมันๆกุฏิของหลวงปู่ขาวใน การได้มาอยู่ๆพระโดยเลิศมหาเวช